การที่ B ีจะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังต่อไปนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะแล้วก็ B เองก็อยากจะแนะนําให้คุณผู้ฟังฟังทุกๆ ท, ท่านเนี่ยฟังด้วยความบันเทิงค่ะไม่ต้องประชิดอะไรมากสิ่งที่ดีก็เก็บไปปฏิบัติตามสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ต้องไปสนใจเนีคะเหตุการณ์ที่ B ีจะเล่าต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งแถวภาคตะวันออกเมื่อประมาณ7ปีที่ผ่านมา คุณเอค่ะทำอาชีพขายผลไม้ดองโดยการดองผลไม้เองแล้วก็ส่งขายที่ตลาดใหญ่อาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกจ้างค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็จะไปเฝ้าที่ตลาดใหญ่ทั้งวันแล้วช่วงกลางคืนก็จะกลับมานอนที่บ้านลูกจ้างเนี่ยก็จะมีทั้งหมดสี่คนก็จะมีป้าศรีมีลุงชยัยมีหน้าที่ปอกผลไม้กับเฝ้าแผงที่ตลาดนะคะ แล้วก็อีกสองคนอยู่ที่บ้านที่ชื่อพี่เป้แล้วก็ก่อแก้วค่ะขอสองคนนี้ก็จะทำหน้าที่ล้างแล้วก็ดองผลไม้อยู่มาสักพักหนึ่งป้าสีแกก็ได้พาหลานชายมาฝากทำงานที่บ้านด้วยคนหนึ่งชื่อว่าพี่ชายค่ะซึ่งก็เพิ่งจะพ้นโทษออกจากคุกในคดียาเสพติดนะคะสำหรับบ้านที่คุณเออยู่อาศัยนั้นก็เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นมีรั้วล้อมรอบชั้นหนึ่งก็จะมี3ามห้องนอน คนงานทั้ง5้าคนก็จะพักอยู่ที่ชั้น1ค่ะหลังบ้านก็จะเป็นที่ว่างนะคะแล้วก็จะมีโอง่งดองผลไม้เนี่ยวางเรียงรายกันอยู่หลาย10องค์ซึ่งพี่เป้เองก็จะเป็นสามีของคุณแก้วนะคะตกเย็นมาก็มักจะชอบไปนั่งดื่มเหล้ากันทุกวันไม่ค่อยสนใจภรรยาและเมื่อมีพี่ชายเข้ามาทํางานด้วยพี่เป้ก็เริ่มมีปากเสียงกับแก้วหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเกิดอาการหึงหวงค่ะเหตุการณ์เป็นแบบนี้อยู่ประมาณ1อาทิตย์ แล้วก็เช้าวันหนึ่งคุณเอเนี่ยเดินลงมาที่ชั้นล่างแล้วก็บอกให้พีเ่เป้เนี่ยตักผลไม้ดองไปส่งที่ตลาดเหมือนเช่นทุกวันแต่ว่าเมื่อลงมาก็เจอพี่เป้นั่งอยู่คนเดียวคุณเอก็เลยถามออกไปบอกว่าอา้าแล้วชายกับแก้วมันไปไหนอะทำไมต้องมาช่วยกันทําไมไม่มาช่วยกันทําแต่ว่าอยู่ๆพี่เป้แกก็น้ําตาไหลสะอึกสะอื้นแล้วก็ตอบว่าชายกับอีแก้วมันหนีตามกันไปแล้วพี่เป้แกก็ปล่อยโฮอยู่พักใหญ่ค่ะ คุณเอก็ยืนนิ่งอยู่ไม่รู้จะปลอบยังไงดีเพราะว่ายังไม่รู้ว่าเรื่องมันเป็นมายังไงพี่เป้ก็พูดทางน้ำตาบอกว่าวันนี้พี่เป้เองก็ขอลา ง, งานหนึ่งวันนะเดี๋ยวจะไปตามห า, าแฟนนะะที่ไปกันกับพี่ชายนะะก็คือพี่แก้วแล้วก็พี่ชายสักสองสามวันเรื่องงานพี่ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวให้ลุงชัยเข้ามาช่วยงานในบ้านก่อนนะพี่ คุณเอเห็นแล้วก็รู้สึกสงสารค่ะก็เลยให้ไปแต่ว่าก่อนที่พีเปยจะไปคุณเอพูดขึ้นว่าเอ็งก็อย่าไปคิดสั้นนะอย่าทําร้ายร่างกายกันมีอะไรก็คุยกันดีๆปรากฏว่าตกดึกคืนนั้นเองค่ะคุณเอก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในเวลาประมาณตีหนึ่งกว่าเห็นเหมือนมีเงาอะไรบางอย่างอยู่แถวๆปลายเท้าแกก็เลยเพ่งมองผ่านความมืดดูปรากฏนะี่ว่าเห็นเป็นร่างดําๆของผู้ชายค่ะนั่งกอดเข่าขุดคูโยกตัวไปมาอยู่แถวปลายเท้าแล้วก็มีเสียงร้องไห้ทุ้มๆต่ำๆ ลอยออกมาจากเงานั้นคุณเ e. อใจหายวูบขาหูตาสว่างรีบหดขากลับเข้ามาในผ้าหม่มคิดในใจว่าบ้านนี้เนี่ยอยู่มาตั้งแต่เกิดไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยเงาปริศนายังคงนั่งโยกตัวไปมาแล้วก็ร้องไห้ไม่ยอมหยุดเหมือนคนเสียสติน้ำเสียงมันช่างเศร้าหมองแล้วก็เย็นเยะยเยือกจนเสียดแทงลงไปในคั้วหัวใจคุณเ e. อก็เริ่มที่จะทนนอนอยู่นิ่งๆไม่ไหวก็เลยคว้าไฟฉายบนหัวนอนเนี่ยมาส่องดูให้รู้แล้วรู้รอดไปนะคะ แต่เมื่อคุณเอเปิดไฟฉายค่ะเงาดํานั้นกลับหายไปอย่างไรร่องรอยเหมือนกับว่าไม่ได้มีใครมานั่งอยู่ตรงนั้นคุณเอก็ยังคงส่องไฟฉายไปตามมุมต่างๆภายในห้องกลัวว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันจะไปซุกซ่อนอยู่ในซอกไหนสักแห่งหนึ่งในห้องนี้แต่ว่าหาเท่าไหร่ก็ไรวีแวค่ะก็เลยล้มตัวลงนอนทั้งๆที่เหงื่อก็ท่วมตัวเพราะว่าความหวาดกลัว หายใจหอบถี่สักพักหนึ่งพลางก็คิดว่าอืมมันคืออะไรกันแน่นะคะเช้าวันต่อมาคุณเอยังไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้คุณพ่อและก็คุณแม่ฟังเพราะว่าตื่นมาท่านก็ไปตลาดซะแล้วกว่าจะกลับมาก็ถึงเวลานอนของคุณเอเพอดีแล้วก็ในคืนนั้นค่ะคุณเอสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงร้องไห้ของใครสักคนหนึ่งเมื่อมองออกไปทางต้นเสียงก็ปรากฏว่าเป็นเงาของผู้ชายในคืนก่อนค่ะมานั่งกอดเข่าโยกตัวอยู่ข้าง จนได้กลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงแทบจะอาเจียนคุณเอก็ทนต่อไปไม่ไหวละรีบกระโดดลุกขึ้นไปเปิดไฟทันทีค่ะเมื่อห้องสว่างโโร่แล้วผู้ชายคนนั้นก็หายกลับไปอีกเช่นเคยคุณเอเริ่มเอกใจว่าเอ๊ะผู้ชายคนนั้นมันเป็นใครกันแน่ทําไมต้องมาดังควานกันแบบนี้ตนก็ไม่เคยไปเบียดเบียนใครมาก่อนแต่นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกนะฮะว่าเป็นใครกันแน่เกี่ยวข้องยังไงกับตัวเองรุ่งึ้นก็มีออเดอร์ชุดใหญ่เข้ามา คุณเอต้องนําผลไม้จําพวกหนึ่งไปส่งที่ตลาดใหญ่คุณเอก็ไปตักผลไม้ที่ดองอยู่ในโอง่งหลังบ้านใส่ถังจนมาถึงโอง่งที่4ค่ะคุณเอเปิดฝาโอง่งแล้วหยิบขันลงไปตักผลไม้แต่เหมือนมันติดอะไรบางอย่างก็เลยลองเชงเื้อลงไปดูปรากฏว่ามีหัวคนโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําดองในโอง่งประมาณครึ่งหน้าผากักคุณเอตกใจจนผงะดหงายหลังร้องโวยวายลั่นบ้านลุงชัยเนี่ยวิ่งเข้ามาดูค่ะ เมื่อมู ล, ลนิธิเอาศพขึ้นมาจากโอคงก็ปรากฏว่าเป็นศพพี่ชายลักษณะศพซีดบวมจนแทบจําไม่ได้ถูกมัดแขนแล้วก็มัดขาแล้วก็มัดรวบไว้ให้เข่าเนี่ยชนกับหน้าอกอีกทีหนึง่งในลักษณะนั่งยองๆดูคล้ายกับเงาของผู้ชายที่โผล่ออกมานั่งโยกตัวให้คุณเอเห็นเมื่อตอนกลางคืนนะคะพอป้าีรู้ข่าวว่าหลานชายเสียชีวิตก็เอาแต่ร้องห่มร้องไห้ค่ะโทษตัวเองว่าพาหลานมาตาย เมื่อสอบสวนไปมาก็ได้ความว่าสงสัยจะเป็นฝีมือของพี่เป้อาจจะฆ่าพี่ชายแล้วก็พาแก้วเนี่ยหนีกลับบ้านต่างจังหวัดตำรวจก็เลยทำการบุกไปตามบ้านพี่เป้ที่ต่างจังหวัดแล้วก็จับตัวได้ในเวลาไม่นานเท่าไหร่นักนะคะแต่ก็ปรากฏว่าจับได้เพียงพี่เป้ค่ะส่วนกอแก้วไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยก็เลยนาตัวพี่เป้ไปสอบสวนแต่พี่เป้ก็ไม่ยอมรับสารภาพนะคะแล้วก็ไม่บอกว่าภรรยาอยู่ที่ไหน ในระหว่างนั้นคุณแม่เกิดเอกใจขึ้นมาค่ะก็เลยเปิดฝาอง่งทั้งหมดดูปรากฏว่าเจอศพของแก้วซุกอยู่ในอง่งท้ายท้ายในลักษณะท่าทางเหมือนกันทางบ้านคุณเอกเลยทำบุญบ้านยกใหญ่ทิ้งผลไม้ดองทั้งหมดค่ะแล้วก็นําอ่งที่สุกซ่อนทั้งสองใบไปทิ้งตํารวจตรวจสอบแล้วก็นําศพทั้งสองเนี่ยไปชนะสูตรผลออกมาว่า พี่ชายมีแผลเหมือนโดนของแข็งทุบบริเวณท้ายทอยส่วนแก้วเสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจในเวลาต่อมาพี่เป้ก็ยอมรับสารภาพนะคะว่าได้เอาหมอนกดหน้าพี่แก้วจนเสียชีวิตแล้วก็จับมัดมือมัดเท้าจากนั้นก็แอบดักรอบพี่ชายพอศบโอกาสก็ใช้ไม้ทุบเข้าที่ท้ายทอยจนสลบจากนั้นก็จับมัดมือมัดเท้าแล้วก็หย่อนทั้งสองลงในองค์ดองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่คุณเอเล่ามาค่ะ มีเรื่องราวแปลกๆอีกเรื่องราวหนึ่งค่ะที่บีจะเล่าซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อประมาณ5ปีที่ผ่านมาคุณกอลฟนะคะทำอาชีพเป็นนักจัดรายการวิทยุค่ะแล้วก็รับเป็นพิธีกรในงานอีเวนต์ต่างๆช่วงนั้นช่องของคุณกอฟก็ได้สิทธิ์ในการถ่ายทอดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหนึ่งหน้าที่ของคุณกอฟคือต้องไปเป็นพิธีกรให้อีเวนต์นี้ โดยปกติแล้วนะคะทางฝ่ายจัดจะเป็นคนจัดการหารถแล้วก็ที่พักไว้ให้ทีมแต่ว่าบังเอิญค่ะวันนั้นคุณก๊อฟรู้อยู่แล้วว่าโรงแรมที่ทางฝ่ายจัดได้จัดหาไว้ให้เนี่ยมันมีประวัติค่อนข้างเยอะค่ะทําให้คุณก๊อฟเนี่ยไม่อยากจะเข้าพักที่โรงแรมแห่งนั้นเมื่อถึงวันงานค่ะคุณก๊อฟก็สแตนบายในงานจนจบก็ประมาณ4ี่ทุ่มแล้วก็ต้องอยู่เคลียร์ทุกอย่างให้เสร็จก่อนกินเวลาไปก็จนถึง5้าทุ่มเลยทีเดียวนะคะ แต่ว่าบังเอิญค่ะวันนั้นรุ่นพี่ที่รู้จักกันคนหนึ่งก็รู้ว่าคุณก๊อฟได้มาทำอีเวนท์ที่นี่ก็เลยได้ชวนคุณก๊อฟออกไปดื่มต่อคุณก๊อฟก็คิดในใจว่าเออเข้าทางพอดีเพราะว่าคืนนี้จะได้ไม่ต้องนอนที่โรงแรมก็เลยตกลงกันว่าจะออกไปด้วยกัน แล้วก็มีช่างเทคนิคในทีมเนี่ยตามไปด้วย1คนนะคะจนเวลาล่วงไปถึงตี1แต่พอดีว่าช่างเทคนิคเนี่ยได้ไปคุยถูกคอกันกับสาวเสิร์ฟแล้วก็ได้ออกไปต่อกันที่อื่นโดยขอเอารถที่นั่งมาด้วยกันไปด้วยนะคะเท่ากับว่าเหลือเพียงแค่คุณกอฟแล้วก็รุ่นพี่2คนรุ่นพี่ก็เลยอาสาไปส่ง แต่ว่าคุณกอล์ฟเองเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะนอนที่โรงแรมที่ทางฝ่ายจัดเตรียมไว้ให้อยู่แล้วก็เลยขอวานให้รุ่นพี่เนี่ยไปส่งที่โรงแรมหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลกันมากนะัก เมื่อไปถึงโรงแรมอีกแห่งหนึ่งค่ะคุณกอฟก็รีบตรงเข้าไปเพื่อที่จะขอเปิดห้องทันทีก็รู้สึกว่าโล่งใจขึ้นมาเปราะหนึ่งที่หลุดออกมาจากโรงแรมผีเฮี้ยนตรงนั้นได้แต่เมื่อลองพิจารณาดูดีๆค่ะโรงแรมแห่งนี้ก็น่ากลัวไม่น้อยเหมือนกันที่ตั้งของโรงแรมก็จะอยู่สุดซอยบริเวณโดยรอบแทบจะไม่มีบ้านเรือนเลยสักหลังปลูกไว้นอกจากนี้ก็ยังมีต้นไม้ใหญ่หลายต้นนะคะแทบจะไม่เหลือที่โล่งเลย ถ้าตอนกลางวันมันคงจะเป็นพื้นที่ที่ร่มรื่นแล้วก็สวยงามอยู่ไม่น้อยแต่ว่าในเวลากลางคืนแบบนี้เนี่ยบรรยากาศมันเป็นคนละเรื่องเลยค่ะลักษณะของโรงแรมก็จะเป็นปูนที่ตกแต่งด้วยไม้สภาพยังไม่เก่ามากนักแต่ก็ไม่ได้ใหม่อะไรมีทั้งหมดสี่ชั้นเปิดไฟสีส้มๆไว้เพียงไม่กี่ดวงค่ะห้องโถงใหญ่ก็ถูกตกแต่งด้วยไม้ทั้งหมดดูแล้วก็หน้าขนลุกพิลึกเนาะ เมื่อได้ห้องแล้วคุณกอฟก็เดินถือกุญแจห้องขึ้นไปบนชั้น4ี่นะคะซึ่งบรรยากาศด้านในก็จะดูสลัวสลัวแม้ว่าจะมีดวงไฟเล็กๆที่ติดอยู่ข้างฝาผนางังช่วยส่องสว่างให้แต่ว่ามันก็ยังคงดูมืดทึบเกินไปอยู่ดีค่ะแล้วก็ตั้งแต่ที่เข้ามาในโรงแรมคุณกอฟก็ได้ยินเพียงแค่เสียงฝีเท้าของตัวเองเท่านั้นย่าลงบนพื้นไม้เสียงดังตุ๊บตุ๊ตุ๊ตนะคะ ที่นี่มันช่างดูไร้ชีวิตชีวาเหมือนว่าตัวเองได้เข้าพักในโรงแรมนี้เพียงคนเดียวคุณก๊อฟมายืนอยู่หน้าห้องสุดทางเดินประตูทำด้วยไมย้อย่างดีเลยมีลวดลายสวยงามก็พยายามมองหาเลขห้องจากกุญแจว่าตัวเองได้มาถูกห้องหรือเปล่าพางก็คิดในใจว่าทำไมที่นี่ต้องใช้ไฟสีส้มด้วยมันดูสวยกว่าไฟสีขาวก็จริงแต่ว่ามันทาให้ดูทึบกว่า แล้วก็ไหนจะมีคมไฟที่ติดอยู่ข้างฝาผนังแค่ไม่กี่ดวงทำให้แทบจะมองไม่เห็นประตูห้องที่อยู่สุดทางห้องนี้เลยทีนี้คุณก๊อฟก็เลยเปิดประตูค่ะก้าวขาเข้าไปในห้องกลิ่นอับนี่แบบรุนแรงเลยพุ่งเข้ามาปะทะจมูกจนต้องเอามือขึ้นมาป้องจมูกไว้พร้อมๆกันกับการควานหาสวิตไฟแถวๆข้างฝาเมื่อไฟส่องให้เห็นสภาพของห้องก็มีเฟอร์นิเจอร์เพียงไม่กี่อย่างนะ ด้านขวามือก็จะเป็นทีวีถัดขึ้นไปก็จะเป็นเตียงไม้หลังใหญ่ค่ะถัดไปอีกก็จะเป็นประตูออกไปนอกระเบียงส่วนทางด้านซ้ายมือก็จะมีตู้เสื้อผ้าหลังใหญ่นะคะเป็นตู้เสื้อผ้าไม้แล้วก็ถัดไปก็จะเป็นประตูห้องน้ําซึ่งจะตรงกับประตูทางเข้าพอดีภายในห้องนี่ก็จะมีฝุ่นจับเล็กน้อยแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากจนเกินจะรับได้นะคะคุณก๊อฟก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าที่นี่มันก็ดึกมากแล้วก็เลยเดินตรงเข้าไปอาบน้ํา พอเสร็จแล้วค่ะก็ปิดไฟนอนเปิดทีวีดูพร้อมกับเล่นมือถือไปด้วยแต่ว่าในระหว่างที่คุณกอล์ฟกําลังนอนเล่นมือถืออยู่เพลินเนหูมันก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังกึกเสียงมันเบามากค่ะจนแยกไม่ออกว่าต้นเสียงมันมาจากที่ไหนก็คิดว่าเออมันคงจะมาจากห้องข้างๆจนทีนี้มันก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆค่ะคราวนี้ก็แน่ใจและ ว, ว่าเสียงมันดังอยู่ในห้องนี้และก็น่าจะเป็นเสียงที่อยู่ในตู้ไม้หลังใหญ่ปลายเตียงเสียงมันดัง ก, ก, กูกัก ก, ก, กอยู่ในตู้นะคะคุณกอบก็เริ่มสงสัยคิดว่าเอ๊ะอาจจะเป็นเพราะอาการเมาหรือเปล่าแต่ก็แย้งในใจว่าเออดื่มไปไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้ก็ยังรู้สึกตัวอยู่คุณกอบก็ค่อยๆละสายตาจากมือถือแล้วก็มองไปยังตู้เสื้อผ้าปลายเตียงปรากฏว่าตู้เนี่ยมันค่อยๆแง้มออกแบบเสียงดังแอดนะคะพร้อมกับผู้หญิงคนหนึ่งก้าวขาลงมาจากตู้เธอใส่เสื้อกล้ามสีน้ําเงินกางเกงยีนขาสั้นหน้าตาสวยค่ะผิวขาวออกซีด คุณก๊อฟตกใจเบิกตาโพลงตัวแข็งทื่อรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวขยับร่างกายไม่ได้เพราะว่ากำลังอยู่ในอาการช็อกเธอคนนั้นก็ค่อยๆเดินผ่านปลายเท้าคุณก๊อฟไปทางขวาอย่างโซซัดโซเซเหมือนคนอ่อนล้ารายเรียวแรงต้องเรียกว่ากำลังพยายามพยุงร่างของตัวเองมากกว่าเธอก็มาหยุดอยู่ทางขวามืองคุณกอ๊อฟโดยหันหน้าเข้าฝาผนังค่ะตอนนี้คุณก๊อฟรู้สึกจุกที่หน้าอก เพิ่งรู้ว่าอาการหายใจเข้าออกเนี่ยมันช่างเป็นเรื่องยากเหลือเกินในไม่กี่อึดใจเนี่ยะเธอก็ค่อยๆหันหน้ามาทางคุณก๊อฟช้าๆทำให้เห็นหน้าของเธอได้อย่างชัดเจนอีกครั้งใบหน้าซีดคล้ำในตาเศร้าหมองไร้ไวิแววของคนมีชีวิตแต่ว่าบางครั้งนะก็เหมือนกับมีความโกรธแค้นความอาฆาตแฝงอยู่เธอเริ่มขยับริมฝีปากซีดๆเล็กน้อยเหมือนจะบอกอะไรบางอย่าง ด้วยความอดทนของคุณกอฟค่ะมาถึงขีดสุดอารมณ์มันก็หลุดจากการควบคุมทีนี้ก็ดีดตัวลุกขึ้นจากเตียงกระโดดก้าวก้าวเดียวเลยไปถึงหน้าประตูห้องก็เปิดประตูออกอย่างแรงจนมารู้สึกตัวอีกทีหนึง่งมานั่งสั่นอยู่โซฟาในห้องโถงใหญ่หน้าเคาน์เตอร์พนักงานต้อนรับ2คนที่ประจำอยู่หน้าเคาน์เตอร์ในตอนแรกเนี่ยหายไปนะทาให้ห้องโถงใหญ่เวลานั้นดูเงียบเชียบแล้วก็วังเวงกว่าตอนที่เข้ามาครั้งแรกมากทีเดียว เวลาเดินผ่านไปอย่างเชื่องช้าจนนั่งหุดหงิดค่ะเมื่อความกลัวทุเลาบบาบางลงบ้างแล้วคุณกอบก็หยิบมือถือขึ้นมาดูแล้วก็ตั้งใจว่าจะขอนั่งอยู่ตรงนี้จนเช้าทบทวนว่าจะเอาอยัางไงต่อกับชีวิตดีจะโทรไปหาเพื่อนก็กลัวว่าจะไปขัดจังหวะความสุขของเพื่อน สักพักใหญ่ๆค่ะก็มีผู้ชายคนหนึ่งลักษณะการแต่งตัวก็อารมณ์ประมาณเสียรุงสีประมาณนี้เดินโผล่ตรงมาจากไหนก็ไม่รู้มานั่งบนโซฟาข้างคุณก๊อฟเงียบๆชายคนนั้นเอ่ยปากถามคุณก๊อฟว่าเอ้าทําไมมานั่งตรงนี้ล่ะครับพี่คุณก๊อฟตอบไปด้วยน้ําเสียงตะกุกตะกักเล็กน้อยบอกเออไม่มีอะไรหรอกครับอาจจะเป็นเพราะว่าเหตุการณ์ที่เพิ่งประสบมาก็เป็นได้นะคะก็เลยทําให้คุณก๊อฟเนี่ยไม่ค่อยอยากจะคุยอะไรเท่าไหรนะ่นักผู้ชายคนนั้นก็เลยพูดว่าพี่รู้ไหม คนเราเนี่ยทำอะไรซ้ำๆเนี่ยมันเจ็บปวดแล้วก็ทรมานมากนะด้วยความมึนงงปนความแปลกใจค่ะคุณก๊อฟก็เลยหันไปมองชายคนนี้แล้วก็พูดขึ้นว่าพี่รู้ไหมผมรักผู้หญิงคนหนึ่งมากมากจนผมไม่คิดว่าเขาจะหักหลังผมได้สิ้นคำพูดค่ะชายคนนั้นล้วงเข้าไปในกระเป๋าเกงควักเอาแท่งดำๆออกมาแล้วยกขึ้นมาระดับเดียวกับศีรษะและเกิดเสียงลั่นคล้ายฟ้าผ่าดังเปรี้ยงภาพที่เห็นคือ ทำให้คุณก๊อฟสติหลุดรอบสองร้องตะโกนโวยวายกระโดดพุ่งตัวออกห่างจากจอดจากโซฟาจนหน้าทิ่มนะคะแล้วหันกลับไปดูเพราะความหวาดกลัวปนความอยากรู้อยากเห็นค่ะผู้ชายคนนั้นนอนกองอยู่กับพื้นในลักษณะนอนตะแคงข้างหันหน้ามาทางคุณกอ๊อฟทําให้คุณก๊อฟเนี่ยมองเห็นเขาจ้องมองมาทางคุณก๊อฟเองด้วยดวงตาที่อาคาดแค้นเลือดสดๆค่อยๆไหลออกจากศีรษะของชายคนนั้นฉาบพื้นไม้จนเป็นสีน้ำตาลเข้ม คุณกอบอยากจะตะโกนออกมาดังๆอีกครั้งหนึ่งแต่ทําได้เพียงแค่อ้าปากค้างเนื้อตัวสั่นเทาเพราะความหวาดกลัวครู่เดียวนะคะพนักงานหญิงสองคนวิ่งออกมาดูแล้วก็ถามคุณกอบว่าพี่พี่เป็นอะไรคุณกอบไม่พูดอะไรค่ะเหมือนคนที่อยู่ในอาการช็อกเต็มที่ทําได้เพียงแค่ชี้ไปทางศพของผู้ชายคนนั้นแต่พนักงานสองคนนะั้นก็ทําหน้ามึนงงรวมถึงคุณกอบด้วยเพราะว่าตรงนั้นไม่มีอะไรเลยนอกจากชุดโซฟาคุณกอบก็อึ้งไปพักใหญ่ ทบทวนว่านี่มันเกิดอะไรกันขึ้นแต่ว่าคิดจนหัวแทบจะระเบิดก็ไม่สามารถหาคำตอบได้ก็เลยหันไปถามพนักงานว่าน้องนี่มันเกิดอะไรขึ้นพนักงานหญิงทั้งสองคนยืนนิ่งค่ะไม่ยอมพูดอะไรตอบคุณก๊อบบ้างเลยคล้ายกับเข้าใจเหตุการณ์แล้วแต่ว่าพูดออกมาไม่ได้สักพักก็มีลุงยามคนหนึ่งเดินเข้ามาหาคงเป็นเพราะว่าได้ยินเสียงคนเอะอะโวยวายเมื่อสักครู่ คุณกอฟเองก็เริ่มหมดความอดทนอดกลั้นจึงชักใช้เอาคําตอบซักไซส์เอาคําตอบมาใช้ให้ได้เลยก็ได้ความนะคะว่าก่อนหน้านี้ประมาณ3มอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ชายผู้หญิงคู่นึงพักอยู่ในห้องที่คุณกอฟขึ้นไปพักฝ่ายชายฆ่าฝ่ายหญิงแล้วยัดศพไว้ในตู้เสื้อผ้าจากนั้นตัวเองก็ลงมายิงตัวตายที่โซฟาหน้าเคาน์เตอร์กว่าจะพบศพฝ่ายหญิงก็เข้าช่วงเที่ยงของอีกวันแล้วนะคะ และตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นห้องนี้ก็ไม่ได้เปิดให้ใครเข้าพักอีกเลยแต่ว่าอาจจะเป็นความโชคร้ายของคุณกอฟก็ได้ที่พนักงานเพลอค่ะหยิบกุญแจห้องนี้ให้โดยที่ไม่ได้คิดอะไรมากเอ๊ะหรือว่าอยากจะให้คุณกอฟเข้าไปลองของเล่นเล่นดูและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่คุณกอฟได้ประสบพบเจอมากับตัวเองที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดกาแพงเพชรค่ะ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 คุณอ้อมได้เข้ามาทำงานที่กรุงเทพโดยเข้ามาเป็นช่างเย็บจากอุตสาหกรรมที่ร้านเย็บผ้าโลหลแห่งหนึ่งย่านสาธุประดิษฐ์ค่ะซึ่งพี่คนในหมู่บ้านเดียวกันกับแกเนี่ยได้สามีเป็นคนกรุงเทพแล้วก็ยึดอาชีพเกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อผ้าโลหลส่งตามโรงงานเพื่อทำการส่งออกไปยังประเทศตะวันออกกลางอีกทีหนึ่งสามีของพี่ผู้หญิงคนนี้